ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎก ป, ป, ป, ปออปยุโตตอนที่ห้าสิบมาคุยกันต่อเรื่องบุพนิมิตแห่งมรรคทั้งเจดประการว่าโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งก็ก่อนที่จะว่าทั้งหมดก็มาพูดถึงหัวข้อเพื่อทวนความจำเจ็ดข้อก็มีหนึ่ง กัลยาณมิตรตาความมีกัลยาณมิตรหรือการรู้จักเลือกคบหากัลยาณมิตรสองศีลสัมปทาถึงพร้อมได้ศีลคือตั้งอยู่ในวินยัยสามก็ฉันทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยฉันทะมีความใฝ่รู้ใฝ่ดีหรือใฝ่ศึกษาใฝ่สร้างสรรค์หรืออยากจะทำในสิ่งที่ดีงามและก็ อัตสัมปทาการทำตนให้ถึงพร้อมหมายถึงว่าการพัฒนาศั ก, กยภาพให้สมบูรณ์ให้เต็มเปี่ยมมีจิตสำนึกในการฝึกตนต่อไป5กากทิสติสัมปทาถึงพร้อมในทิฏฐิมีความเชื่อในความคิดความเห็นการยึดถือในหลักการทัศนคติข้านิยมที่ เอื้อต่อการพัฒนาปัญญาและความดีงามแลก็อัปมาตสัมปทาถึงพร้อมด้ความไม่ประมาทมีความกระตือรือร้นไม่เฉื่อยชาไม่ปล่อยละและเลยไม่ผัดเพี้ยนเห็นคุณค่าของเวลาแล้วก็มีจิตสำนึกในความเปลี่ยนแปลงแล้เจ็ดก็ยโยนิสมรสิกาเราสัมปทาถึงพร้อมอในโยนิสมรสิกา ร, รู้จักคิดรู้จักพิจารณา ดูจักหาประโยชน์จากสิ่งทั้งหลายสามารถหาความรู้หาความจริงได้แล้วก็หาประโยชน์จากสิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือร้ายนี่ก็นี่ก็เจข้อนี่ก็เราก็มาดูทั้งกระบวนอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เจดข้อนี้ได้บอกแล้วว่าข้อหนึ่งกับข้อเจเนี่ยมาจาก ปัจจัยสมาธิที่สองเราเอามาจัดเข้าในชุดบุพนิมิตแห่งมรรคเจนี้สองข้อนั้นกลายมาเป็นข้อต้นกับข้อสุดท้ายคือคุมกระบวนอยู่หัวกระบวนการท้ายกระบวนการยังกระโดไฟนีแต่ว่าที่เป็นหัวกระบวนกท้ายกระบวนอันนี้มันจะมีข้อพิเศษที่ว่าสามารถทําหน้าที่เป็นหัวกระบวนได้ถึงสองอัน เพราะว่มันมีรถไฟบางอย่างกันเนีมายว่าจะไอ้ทั้งหัวทั้งท้ายเนี่ยทำหน้าที่เป็นหัวได้ทั้งคู่พอเล่นไปถึงจุดหมายไอ้ฝ่ายหัวข้างหนึ่งพาไปพอไปถึงแล้วไม่ต้องกลับละนี่ช้ยท้ายเนี่ยกลับเป็นหัววิ่งนําไปได้อีกอันนี้ก็เช่นเดียวกันเจ้าสองตัวนี้คุมหงส์คุมท้ายนั่นที่จริงเป็นหัวได้ทั้งคู่นํากระบวนได้ทั้งหมด อันนี้เป็นข้อพิเศษของเขาอันนี้ข้อพิเศษเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจบอกแล้วว่าข้อหนึ่งความมีกาลยาณามิตรก็เป็นเรื่องของปรโตคสะเป็นเสียงบอกจากผู้อื่นอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกส่วนโยนิโสมราติการนั้นเป็นปัจจัยภายในอยู่ในตนเองนี้สาหรับคนทั่วไปนี้เราจะมาอาศัย เจ้าตัวแรกกัญยาณามิตตาปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวนำกระบวนพาชักพาให้ทั้งเจดทั้งหกตัวข้างหลังเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่ากัญยาณามิตรนี่เป็นผู้ที่พัฒนาแล้วหรือพัฒนาไปมากกว่าตัวเราหรือตัวเด็กนั้นะังนั้นเขาก็จะมีคุณสมบัติทั้งเจ็ประการเนี่ยดีกว่า อันนี้เมื่อเขามีทั้งเจประการนี้เขาสามารถกระตุ้นได้ทุกตัวกัญยาณมิตรนี่กระตุ้นได้หมดนะชักจูงให้เด็กรู้จักหากัญยาณมิตรก็ได้แล้วก็ให้เด็กรู้จักรู้จักวินัยตั้งอยู่ในวินัยมีศีลก็ได้จะให้เกิดชั้นทะก็ได้จะให้ฝึกตนก็ได้จะให้มีแนวความคิดถูกต้องก็ได้ให้มีความไม่ประมาทก็ได้ แล้วก็ให้มีโยนิสโสมราศิการก็ได้นีในนี้ในทางตรงข้ามกันก็โยนิสโสมราศิการซึ่งเป็นปัจจัยภายในมีขึ้นในผู้ใดนี่ก็สามารถไปทำให้คุณสมบัติอื่นเกิดได้หมดเริ่มตั้งแต่การรู้จักเลือกหากัลยาณมิตรแม้แต่ว่าได้ปาปะมิตรมิตรชั่ว แกก็ยังหาประโยชน์จากปลาบปะมิดได้เลยน mm hmm. ไม่ต้องพูดถึงกาลยาณมิตรคล้ายๆเหมือนกันในใจนี้สามารถพลิกเอาปาบะมิดให้กลับเป็นกาลยาณมิตรเช่น mm hmm. อย่างรายการทีวีจะเป็นตัวอย่างรายการทีวีมากระสื่อมวลชนมันเป็นรายการที่อาจจะไม่ดีถ้าเป็นรายการที่ดีก็แล้วไปก็เป็นกาลยานามิตรในตัวนี่ถ้าเป็นรายการที่ดีเป็นโทษแต่เด็กมีโยนิสมงสิการนี่แกกลับได้คติ แกดูและแกหาความรู้ได้แล้วก็หาคติความดีงามได้มองสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำให้ได้แง่คิดซึ่งอันเนี้ยที่สาคัญประโยนิโสมนิสิกานี่มันทำให้ได้ประโยชน์จากทุกอย่างก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่อยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอันเดียวกันกับคนอื่นแต่เขามองในขณะที่คนอื่นเขามองอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้ามองอีกอย่างหนึ่ง หรืออย่างภาษาริบุตรกระโมกคลานนะก่อนที่จะบวชตอนแรกก็เป็นไปตามกระแสสังคมอยู่ในอำนาจของสภาพแวดล้อมนะชอบสนุกสนานไปกับเพื่อนฝูงมีเรื่องของการบันเทิงมีของงานนะักขัตเลิกกับไปดนะูอย่างที่ตอนนั้นไปดูคิรักสมัชชะเป็นพรสบบนยอดเขา ไปดูมาทุกปีทุกปีก็สนุกสนานปีนั้นไปดูแล้วเกิดได้คติความคิดอีกอย่างเนี่ยโยนิสโสมนสิการมาเกิดขึ้นมามองใหม่มองสิ่งเดิมแต่ไม่เห็นเหมือนเดิ ม, หมเห็นได้ความคิดอะไรเนี่ยก็เป็นอยนู่ในสมนสิการเพราะฉะนั้นแม้แต่สิ่งที่ไม่ดีนี่โยนิสโสมนสิการก็สามารถทําให้ได้ความรู้ความเข้าใจใหม่ได้เพราะนั้นอยนิสโสมนสิการนี่เป็นตัวที่สําคัญมาก เป็นอันว่ากาลยานามิตตานี่ก็เป็นตัวหัวกระบวนที่อยู่ข้างนอกที่มาช่วยเด็กหรือแม้แต่ตัวเราเซึ่งตัวเราอาจจะเป็นเด็กก็ได้มาปลุกเราทำให้เราเนี่ยได้เกิดคุณสมบัติหมดทั้งชุด และในทางตรงข้ามก็อยู่ในโสมนิการเป็นปัจจัยภายในตัวเราถ้าเกิดมีขึ้นมาก็สามารถทําให้คุณสมบัติอื่นเกิดขึ้นมาได้หมดทั้งชุดเช่นเดียวกันอันนี้เก่งกว่าอภิมาทสมปทาเมื่อวานนี้บอกว่าเรื่องความไม่ประมาทก็สามารถไปปลุกไอ้เจ้าห้าตัวแรกก่อนมันเนีให้ทํางานแต่ว่ามันอยู่ตัวที่หเนี่ยมันปลุกได้ ห้าตัวแรกรวมทั้งตัวมันเองด้วยแต่มันไปปลูกโยนิโสมนิการไป่ค่อยได้คือมันไปกระตุ้นไอ้ส่วนที่มีอยู่แล้วใช่ไหมให้มันทํางานอย่าไปนอนเฉยแต่มันมาปลูกราโยนิโสมนิการนี่ยากนะเพราะโยนิโสมนิการนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดใหม่หริเริ่มใหม่อประมาทมันก็ไปช่วยไอ้สิ่งที่มีอยู่ให้มันลุกขึ้นมานะ ขยับขยืนทำงานนี่มันมาปลุกไอ้เจ้าโยนิสมรจิการนี่ทาได้ยากนั่ก็เลยช่วยได้ดีแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ทั้งกระบวนอันนี้กาลยานมิตตานี่ก็ได้ทั้งกระบวนเลยเนี่ยเป็นหัวท ห, วหัวกระบวนอันแรกก็มาช่วยชักนำทั้งชุดส่วนโยนิสมรจิการอยู่ข้างในก็ชักนำได้ทั้งชุดเช่นเดียวกัน อันนี้ฝ่ายกัลยาณมิตรตานี่นอกจากว่าจะชักนํทาทั้งชุดนี้ก็คือว่าถ้าพูดโดยทั่วไปกรัลรยาณมิตรนี่จะมาเป็นแบบอย่างจะมาช่วยนําให้ตัวเด็กเนี่ยได้พัฒนาในด้านต่างๆซึ่งอยู่ที่ความสามารถของกรัลรยาณมิตรนั้นอย่างกัลยาณมิตรสูงสุดได้แก่พระพุทธเจ้านี่ ก็สามารถทำให้คนที่มีปัญญามากแล้วแต่ว่ามีเหมือนกับขนขนตาบังอยู่หรือว่ามีทุลีบังในตาอยู่มาเขี่ยออกทำให้ได้ตรัสรู้เลยหรือว่ามาสามารถฝึกคนที่เขาฝึกกันไม่ค่อยได้ อันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนี้ก็โยงเข้าหาตรศิกขาถ้าพูดโดยย่อ ก, ก็เท่ากับช่วยพัฒนาคนอื่นโดยเฉพาะพัฒนาเด็กนี่ทั้งในแง่พฤติกรรมที่เราเรียกว่าเรื่องศีลทาให้พฤติกรรมดีงามแล้วก็พัฒนาด้านจิตใจแล้วก็พัฒนาด้านปัญญาอันนี้พูดโดยสรุปเลยใช่ไห พัฒนาอะไรก็ตามรวมแล้วกับพัฒนาสาด้านเนี่ยกาลยานามิตรก็มีหน้าที่อันนี้พัฒนาศีลสมาธิปัญญาหรือพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาแต่จุดเน้นที่สําคัญมากก็คือเน้นคุณสมบัติชุดที่เรียกว่าบุพนิมิตแห่งมรรคเนี่ยเประการแล้วท่านเน้นหนักเข้าไปอีกก็มาเน้นเรื่องโยนิสมรสิการเนี่ยถ้าหากว่ากาลยาณมิตรมาเจาะ ปลูกเา้าชักนำให้เกิดยนูนิสูมพลัสิการนี้ได้เป็นดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ากาลยานามิตรนั้นเป็นปัจจัยภายนอกอย่างที่ทราบอยู่แล้วอันนี้ตราบใดที่เด็กยังไม่มียนมูนิสูมพลัสิการก็ต้องอาศัยผู้อื่นยังไม่เป็นอิสระพึ่งตนเองไม่ได้มีกัลยานามิตรเช่นพ่อแม่ดีมีครูอาจารย์ดีหรือมีเพื่อนใกล้ชิดที่ดี คอยชักนำคอยหนุนคอยชี้แนะทำให้เกิดปัญญาทำให้ได้คติอะไรจากสิ่งต่างๆแต่ก็เป็นผู้อื่นถ้าตัวเองอยู่คนเดียวทำไม่ได้นี้ต้องอาศัยผู้อื่นขึ้นต่อผู้อื่นต้องพึ่งเขายังพึ่งตัวเองไม่ได้ยังไม่ปลอดภัยความสัมพันธ์กับกาลยาณมิตรก็อาศัยศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาต่อกาลยาณมิตรหรื อ, อยังเด็กเนี่ย เด็กม so ีศรัทธาต่อพ่อแม่เชื่อฟังเห็นความสําค so ัญของพ่อแม่เห็นว่าพ่อแม่นี้เก่งโดยปกติแล้วเด็กๆเนี่ยจะเอาพ่อแม่นี้เป็นแบบอย่างใชเชื่อถือเป็นคนที่ยอดประเสริฐๆเพราะนั้นเขาก็มีความเชื่อฟังก็อาศัยศรัทธาเนี่ยไปถึงครูก็เหมือนกันถ้ามีศรัทธาเขาก็พร้อมที่จะเชื่อฟังการแนะนําชักจูงก็ได้ผล แต่ถ้าขาดศรัทธาเสยเมื่อไหร่แล้วกัลยาณมิตรก็ทำนาทียาเพราะเด็กจะหันไปมองที่อื่นเช่นเด็กสมัยนี้มีปัญหาเยอะเพราะว่ามีทีวีเป็นต้นบุกเข้าไปถึงในบ้านในห้องนอนถ้าแกไปเชื่อฟังทีวีมากกว่าเชื่อฟังพ่อแม่หรือบางทีก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่จะเชื่อฟังเพื่อนมากกว่ามีเรื่องอะไรก็แทนที่จะปรึกษาพ่อแม่ก็ไปปรึกษาเพื่อน ที่เพื่อนก็เลยชักจูงไปในทางเสียหายเพราะเพื่อนก็มีประสบการณ์น้อยอันนี้พ่อแม่ก็ไม่รู้จักวิธีที่จะพูดจาเป็นต้นเด็กก็ยิ่งเหินห่างอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์จากกัลยานามิตรนั่นก็ทําไงจะให้มีคุณสมบัติของกาลยานามิตรเองด้วยพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสย้ํามากเรื่องคนที่จะทําหน้าที่เป็นกาลยานามิตรนี่ให้มีคุณสมบัติ อย่างโน้นอย่างนี้อย่างชุดที่ก็มีเจข้อเหมือนกันนะการยานามิตรธรรมมีเจ็ดข้ออย่างเดียวกับอุพนิมิตแห่งมักพระพุทธเจ้าจัดไว้แม้แต่เป็นอาจารย์ให้กรรมฐานนะก็ต้องเป็นการยานามิตรเปปิโยน่ารักคานะรุน่าเคารพภาวนิโยนะน่าจเจริญใจหมายความว่าเป็นผู้ที่ควรแก่การภูมิใจของสิทธิ์หรือของลูกเป็นต้นอืนะ เป็นตัวอย่างได้ว่าตาเป็นนักพูดเป็นผลรู้จักพูดว่าเจนักขมโมเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคําคำภีรันจะกรถังกัะตาเป็นผู้รู้จักถแถลงเรื่องลึกซึ้งมีอะไรยากลึกซึ้งก็พูดให้เข้าใจได้ทําของยากให้เป็นของง่ายโนจัดฐานในนิโยชเยไม่ชักนําไปในทางที่เสียหายหรือในเรื่องราวที่เป็นไปไม่ได้น อันนี้ก็เป็นตัวอย่างพระ เ, เจ้าจะเน้นเพราะว่าในสังคมมนุษย์นี้อย่างที่พูดกันมาแล้วคนที่จะมีโยู่ในสมรสิการเองนี่หาได้ยากเหลือเกินนั่นมนุษย์โดยทั่วไปโดยเฉลี่ยแล้วต้องอาศัยกัลยาณามิตรนั่นระบบของสังคมนี่เราจึงเน้นคุณสมบัติข้อกัลยาณมิตรตานะทาั้งทั้งคนอื่นมาทำหน้าที่ช่วยเป็นกัลยาณมิตรทางให้เด็กเองในพยายามเลือกหากัลยาณมิตรให้ได้ ก็แปลว่าตัวเชื่อมก็อยู่ที่ศรัทธาเนี่ยถ้าศรัทธามาเชื่อมแล้วก็จะทำให้ทำ ง, งานได้ผลแต่กัลยาณมิตรต้องมีคุณสมบัติ ด, ดีต้องเป็นผู้พัฒนาดีแล้วทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาแล้วก็พัฒนาความสามารถในการมาสัมผั์กับผู้อื่นในการช่วยชักนำเขาอย่างพระพุทธเจ้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรนี่เพราะมีทศพลญาณเลยทศพลญาณ น, นี้มีปัญญาใน การที่จะทำหน้าที่ช่วยแนะนำสั่งสอนผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นมีความรู้เข้าใจตัวคนที่พระองค์จะไปทรงสั่งสอนมียานรู้จักบุคคลรู้จักแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลเช่นรู้ว่าคนนี้มีหลายแบบหลายประเภทบางครั้งพระองค์อย่างตอนตรัสรูใ้ใหม่ๆตอนใกล้จะออก ไปทรงประกาศพระศาสนานี่ก็ทรงพิจารณาสัตว์โลกมองเห็นเป็นบัวสามเหล่านะแล้วอาจกถาก็มาเพิ่มไปสี่เหล่านะในวัฏจักรปดมันมีสามเหล่านะบัวมีสามเหล่าเพราะว่อาอตจกถาท่านก็ไปเพิ่มให้เป็นเหล่าที่สเป็นเหล่าที่4นี่ไม่มีวันได้โผล่พ้นน้าและเป็นพักษาของปลาและเต่า แล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงบุคคลสี่ประเภทนี่แหละเป็นเหตุให้อัตกถาเอามาขยายเป็นบทสีเหล่าบุคคลสี่ประเภทที่ว่ามีอุคติตันยูพูธีรู้เข้าใจเพียงเขายกหัวข้อขึอข้นมาพอครูอาจารย์หรือใครพูดหัวข้อเท่านั้นแหละคนแบบนี้ปั๊บเข้าใจทันทีเนี่ยไม่ต้องไปขยายความละคล้ายๆก็พร้อมที่จะ เข้าใจอยู่แล้วแต่มันไม่ทันมันนึกถึงเรื่องหัวข้อหรือประเด็นนีน้การยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นเพียงไปจี้จุดให้เขามองเห็นแง่มุมเท่านั้นเองเพราะนั้นคนพวกนี้นั้นพอเขายกประเด็นขึ้นมาพูดปั๊บนี่เข้าใจทันทีนอันนี้สองวิปปจิตตันยูนี่ผู้รู้ตอบเมื่อเขาขยายความยกหัว ข, ข้อขึ้นมายังไม่เข้าใจต้องขยายความ แล้วก็ต่อไปก็ในยะขยายความทีเดียวก็ยังไม่เข้าใจพวกนี้ต้องค่อยๆแนะค่อยๆนำต้องหาวิธีช่วยต่างๆเราพูดกันทั่วไปก็เวไนยพระพุทธเจ้าออกทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ก็คือสัตว์ที่พอแนะนำกันได้โดยเฉพาะก็หมายถึงมนุษย์นี่แหละอย่างที่เคยบอกแล้วว่าคำว่าสัตว์ในพุทธศาสนานี่มุ่งเอามนุษย์เป็นสาคัญ ในพวกนัยยะนี่ก็พวกที่พอจะแนะนำได้ก็ค่อยๆฝึกค่อยๆปรือกันไปค่อยๆหาอุบายวิธีมาแนะ น, นํานีจนในที่สุดก็บรรลุผลสาเร็จได้สุดท้ายก็ปทัทบประมะแปลว่าพูดที่มีบทเป็นอย่างยิ่งได้แค่ตัวบทได้แค่ตัวบทก็อย่างนกแก้วนกขุนทองตัวข้อความตัวแบบตัวหนังสือก็ท่องก็ได้ แล้วก็ได้แค่นั้นะได้แค่อ่านตัวบทเสร็จแล้วก็ไม่รู้เข้าใจความหมายพวกนี้ก็จะเรียกว่าแย่ที่สุดจะบรรลุธรรมได้ยากก็เรียกว่าในชาตินี้นั้นยังไม่ไหวแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ทิ้งก็หมายความว่าจะต้องเอาใจใส่เขาช่วยเขาอย่างน้อยให้เขาได้พื้นไว้ให้จำตัวบทได้ก็ยังดีต่อไปก็ มีทางพัฒนาคือว่าไม่หมดหวังอ่ะไม่ให้ไม่ท่านไม่ให้ทิ้งนะปัททะบาลมะเนี่ยเดี๋ยวจะนึกว่าโอ้พงษ์นี้เป็นพักษาและปลาทัศเต่าเพื่อเป็นอาหารเขาปลาและเต่าก็เลยปล่อยทิ้งไปเลยอันนี้ไม่ถูกเนี่ยท่านให้เอาใจใส่พยายามน่ยอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยสำหรับผู้สอนนี่ก็เป็นสีปนขขนส่ประเภทนี่แหละบุคคลสี่ประเภท พระพุทธเจ้าตรัสไว้คนละแห่งเรื่องบวชสามเหล่านั้นตรัสตรัสไว้แห่งหนึ่งเรื่องบุคคลสี่ประเภทนี้ตรัสไว้แห่งอันธฐาท่านคงจะเอาไวยะของชุดสี่เนี่ยก็เลยไปพูดถึงบวชสามเหล่าขยายเพิ่มอันสุดท้ายเป็นเหล่าที่สี่ขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลพราพระพุทธเจ้าตรัสไว้เยอะ อย่างที่เราได้ยินกันบ่อยอีกชุดหนึ่งก็คือชุดจริตหกคนเรามีจริตต่างๆกันแม้แต่บริเวณกรรมฐานก็ต้องเลือกกรรมฐานให้เหมาะพระพุทธเจ้าทรงสามารถในการสังสอนเพราะทรงทราบความแตกต่างระหว่างบุคคลอันนี้เป็นอันสำคัญอย่างหนึ่งในบรรดาทศพลญาติสิบข้อเป็นเรื่องของการรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลสัสองข้อสองข้อก็อันหนึ่งท่านเรียกว่า นานาธิมุตติกยานยานอย่างรู้คนทั้งหลายซึ่งมีธาตุต่างกันคำว่าธาตุต่าง ๆ, น า, าางๆานาณาธิมุตติกยานขาโทษไม่ใช่นาณาธาตุยานนานาธิมุตติกยานยานอย่างรู้คนที่มีอธิมุต ต, ต, มต์แตกต่างกันอธิมุตต์แตกต่างกันหมายความว่ามีแนวโน้มเช่นความสนใจต่างๆกันทั้งท้าที่อยู่ในระดับการพัฒนาอันเดียวกัน ก็มีความโน้มเอียงความพอใจสนใจในสิ่งต่างๆกันอย่างคนหนึ่งเป็นชาวนากอาจจะเป็นคนชาวนาที่มีปัญญาแต่แกก็สนใจไปด้านหนึ่งตามภูมิหลังของแกก็จะสนใจเรื่องการปลูกข้าวการไถานาการเรื่องของดินเรื่องของการปลูกพืชพันธุ์อะไรไปทีนี้คนหนึ่งเป็นนักปกครองนะก็ สนใจในเรื่องของวิธีการบริหารการจัดการอะไรต่างๆไปนะบุคคลหนึ่งเป็นพรามเป็นนักวิชาการก็สนใจอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ละคนแม้แต่เป็นพรามด้วยกันก็มีความสนใจไม่เหมือนกันมีแนวโน้มความคิดไม่เหมือนกันอันนี้เรียกว่านาน า, นาธิมุติกยานยานอย่างรู้อธิมุติต่างกันเนี่ยนี่ก็สำคัญจะสอนใครถ้ารู้อธิมุติของเขาเป็นยังไงก็จับจุดได้ก็สอนได้ผล ทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอินทริยะปโรปปริยตตาญาณก็คือญาณอย่างรู้ความยิ่งและย่อนแห่งอินทรีย์รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลในแง่ของระดับการพัฒนาว่าม e ีอินทรีย์อ e ่อนอินทรีย์แก่อินทรีย์อ่อนต้องสอนอย่างหนึ่งอ e ินทรีย์แก่ต้องสอนอย่างหนึ่งคนอ e ินทรีย์อ่อนยังไม่พร้อมในเรื่องนี้ก็ต้องไปเตรียมเขา รอเวลาให้เขาพร้อมบ้างหรือว่าไปใช้อุบายวิธีการในการที่บ่มอนะินรีย์ฮะพระพุทธเจ้ามีธรรมะที่เรียกว่าบ่มอินรีเขาอินรียังไม่พอไม่พร้อมอ่อนไปจะเข้าใจเรื่องนี้ยังไม่ได้แล้วจะไปรอเขาอยู่ก็ช้าบ่มมันเลยนะบ่มอินรีนะแต่บางกรณีต้องรอบ่มก็ยังไม่ได้นะต้องรอเอาหรืออะไรเอาสถานการณ์บางอย่างให้มาเจอให้ได้รับบทเรียน ก็สุดแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องการทราบความแตกต่างในแง่ของอินทรีย์แก่อ่อนนะมีศรัทธามีศีลมีสุตตะจาระคปัญญาไม่เท่ากันเป็นต้นการรู้ความยิ่งหย่อนหองอินทรีย์ระดับการพัฒนาไม่เท่ากันความพร้อมของขนก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะสอนให้ได้ผลก็ต้องสอนให้เหมาะกับอินทรีย์ของเขา นี่สองยานและในสิบยานทศพลยานพระเจ้ามียานรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลอินสุยาปรโรปริยัติยานก็รู้ในแง่ของความแตกต่างในระดับการพัฒนาหรยกว่าแนวตั้ง แ, แนวตั้งนี่ต่างกันคนไหนอยู่ระดับไหนแล้วก็นานาธิมุติกยานนี่ทราบความแตกต่างของคนในแนวนอนและแนวนอนก็หมายความว่าระดับเดียวกันพัฒนามาอยู่ระดับเดียวกันแต่ก็ยังต่างกันอีกนะ ต้องทราบทั้งสองด้านแลคนทั่วไปนี่จะรู้สองอย่างนี่ยากนะเพราะนั้นการสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ผลมากเพราะว่าทรงเข้าใจคนที่ทรงเข้าไปเกี่ยวข้องดีว่าแต่ละคนแต่ละคนเป็นยังไงจะใช้วิธีการสอนยังไงให้เหมาะเนี่ยเรื่องของกาลยานามิตรนี่ก็เยอะนะเพราะนั้นครูนี่ก็เป็นผู้ที่ ทำงานตามอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูครูทั้งหลายก็มา ท, ทําหน้าที่เป็นครูตามอย่างพระองค์ก็เอาวิธีการของพระพุทธเจ้ามาใช่นะอย่างวิธีสอนก็ต้องฉลาดอีกไม่ใช่รู้เฉพาะตัวคนที่ไปสอนอยังต้องรู้วิธีสอนอย่างวิธีสอนอย่างอริยสัจสีอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะนก็ทําให้การสอนนี่ได้ผลกัลยาณมิตก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมนะ ในหมู่มนุษย์ที่มาอยู่รวมกันนี้เพื่อจะช่วยให้คนที่เกิดมาโดยเฉพาะคนอนุชนรุ่นหลังเนี่ยได้รับประโยชน์จากวัฒนธรรมอริยธรรมไม่ต้องไปมัวเริ่มต้นลองผิดลองถูกกันใหม่คนเราลองเกิดมาคนรุ่นเก่าไม่ถ่าทอดวัฒนธรรมไม่สั่งสอนให้ก็เหมือนคนป่าแหละใช่ไหมไม่ได้มีผิดกันเลยนะจะไปรู้อะไรเลยไม่ได้รู้สักอย่างทาไม่ขี่ก็ทาให้เป็นใช่ไหเนี่ย ดันั้นมันก็อะไรมันก็ไม่ได้ทางนั้นดังนั้นก็เรื่องกาิยานามิตรในเรื่องยิ่งใหญ่อย่างยิ่งในสังคมมนุษย์เพราะนั้นองค์ประกอบเจข้อนี้ก็ในแง่ของสังคมมนุษย์ต้องมาเน้นข้อที่หนึ่งกาลยานามิตรต่าที่ว่าคนส่วนใหญ่นั้นจะอาศัยอยู่ในโริการในไปหวังได้ยากให้เขาเกิดมีขึ้นในตนเองนั้นมีน้อย ก็จะต้องมองในแง่ของคนส่วนใหญ่ต้องอาศัยผู้อื่นกัลยาณมิตรนี่มาช่วยชักนำชี้แจงก็พัฒนาระบบขึ้นมาว่าทําไงจะให้กัลยาณมิตร ท, ทางานได้ผลก็สร้างเป็นโรงเรียนสร้างเป็นสถาบันแต่บางครั้งทําไปทำมาอา้าวไม่ได้ความอีกแล้วโรงเรียนนี้สถาบันนี้มันไปแยกเด็กจากชุมชนจากชีวิตจริงพวกนักคิดก็มาบอกไม่ได้ไม่ได้ไไดเลิกเฮะระบบโรงเรียนนะเอาระบบอยู่กับความเป็นจริงในธรรมชาตินะ่ะ อย่างเรามองถึงการศึกษาในเมืองไทยเราสมัยก่อนเราก็ไม่มีชั้นเรียนอย่างยุคที่วัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาเนี่ยเด็กก็มาอยู่กับหลวงพ่อกับพระอาจารย์มาอยู่วัดวัดก็เป็นโรงเรียนแต่ว่ามันไม่มีสถานที่ที่ชัดเจนใช่ไหมคือไม่เป็นตัวอาคารที่แยกเด็กออกไปจากชีวิตจริงเด็กก็อยู่ในวัด อยู่ในบรรยากาศของความเป็นอยู่ธรรมดานะไปช่วยหลวงพ่อไปประเคนพัตตาหารไปวินตาบาดหลวงพ่ อ, อถือย่ามตามไปหรือถือบาทตามไปนะือว่าเวลาหลวงพ่อจะไปไหนไปธุระไปเยี่ยมโยมลูกศิษย์ก็ถือย่ามหรือถืออะไรตามไปด้วยนะก็ไปอยู่ในชีวิตจริงหรือญาติโยมมหาพระ เ, เด็กลูกศิษย์นี่ก็มาอยู่ใกล้ชิดคอยดูแลคอยฝึกหัด วิธีดําเนินชีวิตไปการร่วมสังคมฝึกหัดไปในตัวแล้ว่ถึงเวลาเย็นหลวงพ่อก็อาจจะให้สอนเป็นพิเศษรู้วิชาหนังสือการรู้วิชาหนังสือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาเดี๋ยวนี้เอาการรู้หนังสือมาเป็นการศึกษาไปเลยใช่ไหมอันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งการศึกษาเออต้องรู้หนังสือไว้นะอ่านออกอา้าวมาม า, มานั่งกันมานั่งกันที่หอสวดมนต์นั่งร้อมกันไปเนะี่ยนั่งไปก็สอนกันไปมีกันอะไรเขียนก็เขียนกันไปเนะี มีเรื่องอะไรก็ว่ากันไปเหมือนชีวิตจริงพอเสร็จแล้วคำเดี๋ยวพอเด็กไปคานอาหารกันบางทีไปทานที่บ้านแล้วก็กลับมาใหม่ก็ลกลับมาพอมืดคําสักหน่อยหลวงพอ่อนอนแขน็งอยู่ไอ้กงหน้ากุฏิบางทีหอสุวนบนอ้าวมามานวดมัน ง, งั้น <c oughs> ก็มานวดกันมานวดหลวงพ่อก็เล่านิทานชาดกบางอะไรบ้างให้ฟังประสบการณ์ของหลวงพ่อที่มีมาเด็กก็ได้รับความรู้ ได้รับเรื่องของคติธรรมเรื่องของข้อแนะนำของหลวงพ่อไปในตัวไปเป็นชีวิตจริงดการศึกษาแบบสมัยโบราณก็เป็นการศึกษาในชีวิตจริงแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นวิชาชํานาญพิเศษนี่ก็จะได้หน้อยการศึกษาสมัยใหม่จัดไปโรงเรียนสถาบันนี้ได้เก่งในแง่ความชํานาญพิเศษเฉพาะด้านสมัยก่อนก็ต้องอาศัยว่าไปฝากเนื้อฝากตัวกับอาจารย์หรือครูที่สอนวิชาช่างเป็นต้นเป็นเรื่องๆไปนะฮะ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยนิธิสาปาโมกเมืองตักศิลานนเป็นผู้ชำนาญพิเศษอันนั้นด้วยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาตอนหลังมันสับสนกลายไปว่าการรูนเรื่องวิชาหนังสือการเรียนศิลปะชำนาญพิเศษนี่เป็นการศึกษาไปซะนะ่ยส่วนในตัวการศึกษาที่จริงเลยเลือนหายไปการศึกษาที่แท้จริงมันก็คือการฝึกการดำเนินชีวิตที่ดีงามใช่ไหมที่เราพูดกันไปแล้วตั้งแต่ในบ้านในครอบครัวเนี่ย ผู้ใหญ่ทุกคนก็ทําหน้าที่ช่วยเด็กในการพัฒนาตัวเองให้เขามีการศึกษาดังนั้นชีวิตจริงนี่แหละที่สําคัญมากเป็นการศึกษาที่ถูกต้องตามความหมายส่วนเรื่องของการเรียนในโรงเรียนในสถาบันอะไรต่างๆเป็นการเรียนหนังสือรู้วิชาหนังสือและก็การฝึกในศิลปะวิทยาเฉพาะอย่างที่ชํานาญพิเศษเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษา ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เน้นไปในแง่เฉพาะการหาเลี้ยงชีพด้ซ้ํากลายเป็นวิชาการเหล่านั้นเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพก็เป็นส่วนย่อยของการดําเนินชีวิตอยู่ในข้อที่ว่าเป็นส ม, ม า, าชีวะแม้แต่เป็นส ม, ม า, าชีวะก็ยังทําไม่ค่อยได้เลยนะก็เป็นศักทวะให้เป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพไปก็แล้วกันแต่ไม่ได้ดูความหมายว่าไอ้ที่เป็นส ม, ม า, าชีวะมันคือยอย่างไรเนะีเป็นอาชีวะที่ว่าหนึ่งไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนเวรภัยแก่เพื่อนมนุษย์แก่สังคม สองยังแก้ปัญหาสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงามและสังคมด้วยอันนี้จุดสําคัญเลยอาชีพทุกอย่างมีเพื่อแก้ปัญหาของสังคมแก้ปัญหาชีวิตหรือสร้างสรรค์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งต่อมาก็ส ม, มาอาชีพก็เป็นแดนของการฝึกฝนพัฒนาตัวเองด้วยอย่างที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ส ม, มาอาชีพการเรียนวิชาในแง่าอาชีพก็ไม่ได้คํานึงในเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมสักแต่ว่าให้ได้เรียนวิชาไปหาเลี้ยงชีพกับพอแล้วเนี่ย อนนั้นมันก็แคบมากการศึกษาสมัยปัจจุบันนี้แล้วก็อย่างที่เคยพูดว่าในเมื่อความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับความมุ่งหมายของชีวิตไม่ไม่ถูกต้องไม่รู้ว่ามนุษย์นะั้นเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกฝนพัฒนาจะมีชีวิตที่ดีงามด้วยการฝึกฝนพัฒนาก็นึกแต่ว่ามนุษย์นี่ก็คือจะต้องหาผลประโยชน์มาเสพตอนได้ผลประโยชน์เยอะๆใช่ไหม ในการศึกษาก็เลยกลายเป็นเครื่องมือพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพมาบําเบลความสุขเท่านั้นเองไอนนการศึกษาไปไปมามามีความหมายอย่างนี้เยอะเลยนะเดี๋ยวนี้คนไม่น้อยมองแค่เนี่ยการศึกษาทําไมล่ะเก่งในการที่จะไปหาเงินหาทองมาซื้อสิ่งของมาบำเรลตัวเองใช่ไหมฮก็เรียกว่าการศึกษามีความหมายแค่เป็นว่าเป็นการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพหรือวัตถุบริโภคมา บำเบลความสุขของตนเองก็ไามา่ได้พัฒนาความสามารถภายในเช่นศักยภาพในการที่จะมีความสุขเช่ว่าการศึกษามันมีความหมายอีกด้านหนึ่งว่าการศึกษาคือการพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขอันนี้ไม่มีก็เลยจบกันเลยยิ่งเรียนไปศึกษาไปก็ยิ่งเป็นคนขาดความสุขเป็นคนหมดความสามารถในการมีความสุขเป็นคนที่สุขได้ยากแทนที่จะสุขง่ายขึ้น ปัญหาก็ตามมาหมดเพราะว่ารวมแล้วก็คือว่าการศึกษานี่มันไม่ใช่เป็นการศึกษาที่เกิดจากฐานของความรู้เข้าใจความจริงของโลกและชีวิตแล้วก็ไม่เป็นการศึกษาที่พร้อมทุกด้านเป็นบุรณาการพฤติกรรมจิตใจและปัญญาไม่เกิดจากความเข้าใจทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวธรรมชาติของมนุษย์เองแล้วก็แยกส่วนออกมาเป็นความํานาพิเศษพาก เด็กหรือตัวผู้ศึกษาออกจากสังคมออกจากสิ่งแวดล้อมออกจากชีวิตที่เป็นอยู่จริงนนั้นก็จะต้องมองหาประโยชน์ใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้ถูกต้องถ้าไปไปสุดโต่งก็จะกลายไปว่าเออเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็จะล้มเลิกไปหมดต้องระวังเหมือนกันเดี๋ยวอไม่ได้ความแล้วบอกว่าโรงเรียนโรงเรียนเลิกมหาวิทยาลัยเลิกอันนี้ก็อาจจะไปสุดโต่ง สิ่งเหล่านี้มีแต่รู้ตามเป็นจริงว่ามันมีเพื่ออะไรมีประโยชน์อย่างไรออโรงเรียนก็ดีสำหรับให้รู้วิชาหนังสือแล้วก็เพิ่มองค์ประกอบปัจจัยที่ขาดไปมหาวิทยาลัยก็ดีทำให้ชำนาญพิเศษดีแต่ว่ามันไม่บริบูรณ์ต้องเพิ่มการศึกษาด้านอื่นการศึกษาจะได้บริบูรณ์เต็มตามความหมายของมันอย่าไปจากัดแค่การเรียนในชั้นเรียนและในมหาวิทยาลัย นี่ก็กิจกรรมของสังคมนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่แนละก็คือระบบกา ร, รยานามิตรเองหมายความว่าเรามีหลักกา ร, รยานามิตรแล้วทําไงจะให้กา ร, รยานามิตรนี่เกิดมีเป็นจริงในสังคมก็เลยจัดตั้งระบบกา ร, รยานามิตรขึ้นมานั้นระบบการศึกษากระบวนการศึกษากิจการการศึกษาของรัฐของสังคมทั้งหมดก็คือระบบกา ร, รยานามิตรจัดตั้งนั่นเองนีนไม่ใช่อะไรอื่นถ้าทําได้สําเร็จก็ก็คือว่า จะให้กัลยานามิตรมาทําหน้าที่ยังได้ผลแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็จะต้องมาช่วยกันทําหน้าที่ให้ดีโดยเฉพาะปัจจุบันก็สื่อมวลชนเนี่ยมีอิทธิพลอย่างสําคัญอย่างที่พูดว่าเข้าไปยึดครองอํานาจครอบครองดินแดนของพ่อแม่ในบ้านก็ยังได้นแะย่งบทบาทของพ่อแม่ไปทําแต่ว่าพอแย่งไปแล้วไม่ได้ทําได้ดีทําให้เสียซะอีกนะี่ ก็เลยยิ่งแยกกันไปกันใหญ่เอาล้ครับถึงยังไงก็ตามกรลยานามิตรก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกยังต้องพึ่งพายังต้องอาศัยศรัทธามาเป็นตัวเชื่อมถ้าศรัทธาไปอยู่ที่มิตรอันไห น, นเด็กก็จะไหลไปตามมิตรนั้นเช่นอย่างปัจจุบันนี้เด็กมีศรัทธาต่อทีวีมากเพราะฉะนั้นอิทธิพลทีวีก็จะเต็มที่เลย เด็กศรัทธาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์น้อยลงปัจจุบันนี่ก็เลยไปเชื่อฟังทีวีมากกว่าเพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์จะต้องสร้างศรัทธาเกิดขึ้นเพื่อให้กระแสะในการที่จะได้รับอิทธิพลจากกัลยาณมิตรนั้นมันมีกําลังเพียงพอเนะี่ยมาฉะนั้นแล้วเด็กก็จะออกไปนอกลูก่นอกทางไปศรัทธาทีวีไปศรัทธาเพื่อนซะนะไปศรัทธาเพื่อนดีไม่ดีก็ไปยาเสพติดไปเลยถ้าเพื่อนไม่ดี รวมแล้วก็คือยังเป็นระบบพึ่งปัจจัยภายนอกตราบใดที่ยังต้องอาศัยกลยาณนะมิตรเด็กก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้จริงและยังไว้ใจเต็มที่ไม่ได้เพราะนั้นก็เลยต้องไปเอาข้อสุดท้ายมาถ้าอะไรเด็กได้มีอยู่นิสมร์รัศการในตัวเองคิดเองเป็นคราวนี้แล้วก็ได้ความล้พึ่งตนเองได้นะเพราะฉะนั้นจุดหมายของเราจึงอยู่ที่ข้อโยนิสมร์รัศการเพราะเป็นปัจจัยภายในนะซึ่งจะทําให้เด็กนี้ สามารถหาความรู้หาความจริงจากสิ่งทั้งหลายได้และหาประโยชน์เอาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครทำได้อย่างนี้ก็พึ่งตนเองไดเป็นอิสระนี่คือจุดหมายพอมีอยู่ในส่วนในการก็พึ่งตนเองได้มีแนวความคิดมีปัญญาพัฒนาตัวเองได้อย่างแท้จริงก็ปลอดภัยพ่อแม่ครูอาจารย์ก็มั่นใจต่อเด็กต่อลูกศิษย์ไดเลย นี่ก็เป็นเรื่องของระบบของบุพนิมิตแห่งมรรคนะก็มีเจดข้อโยนิโสรจิการน่าจะสำคัญที่สุดอ้าวสำคัญที่สุดสิครับ เ, เป็นปัจจัยภายในที่ทําให้พึ่งตนเองได้เป็นอิสระถ้าตราบใดยังต้องอาศัยกัลยาณมิตรมันก็ต้องพึ่งพายังไว้ใจไม่ได้นะฮะเราเด็กมันยังไม่สามารถที่จะคิดได้ตนเองนะ ไม่สามารถเดินเข้าสู่ทางที่ถูกต้องในตนเองแท้จริงยังต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นการยานามิตรมาช่วยนป็นข้อมือกับข้อการยานมิตรมันก็ปรับสมดุลจอยู่ในตัวได้นะ ย, ยนิสสุฤะติการสูงก็ขึ้นการยานมิตรน้อยก็ใช่สิฮะขึ้นการยานามิตรน้อยทีนี้ถ้าคนทั่วไปเพราะาเราเราจะไปหวังการยานไอ้ขอภยัยหวังอยูนิสสุภะติการจากคนทั่วไปนี่ยากใช่ไหม คนโดยมากเราจะต้องอาศัยกัญยาณามิตรอ๋อแล้วก็เลยมาประสานกับเดวิธีที่เคยพูดไป้แล้วนะฮะเพื่อให้สองตัวนี้มาช่วยกันก็กัญญาณามิตรก็พยายามจัดสิ่งแวดล้อมระบบข่าวสารข้อมูลอะไรต่างๆให้เด็กเนี่ยเจอสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมใช่ว่าเราจัดวินัยขึ้นมาวินัยมันก็คือการที่ว่าจะให้กัญยาณามิตรเนี่ยทำงานได้ผลหมายความความหมายหนึ่งของมานจัดระบบสังคม เพื่อจะให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างมนุษย์คนรุ่นผู้ใหญ่พ่อแม่ครูอาจารย์จะได้ทําหน้าที่กา ร, รยานามิตได้ดเต็มที่การทําหน้าที่กา ร, รยานามิทในแง่วินัยก็เช่นว่าตัดโอกาสที่จะทําให้เด็กถูกชักจูงไปในทางที่เสียออกวินัยนี้มันมีทั้งในแง่ที่ว่ากั้นปิดโอกาสที่จะทําให้ชักนําไปในทางเสียหายในทางลบนี่ตัดออกแล้วก็ส่งเสริมโอกาสในการที่จะพัฒนา ในการที่จะได้สิ่งที่ดีงามใช่ไหมวินัยนี้เราพยายามจัดสิ่งที่ดีให้แกเด็กพะฉะนั้นการยานามิตรนี่ก็จะมาเป็นแง่ในการที่ว่าตั้งใจจัดสรรสภาพแวดล้อมเช่นข่าวสารข้อมูลที่ดีที่สุดให้แกเด็กนี่เป็นคติของฝ่ายการยานามิตรนะว่าจัดสรรที่ดีที่สุดสิ่งจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้แกเด็กนะแล้วเสร็จแล้วฝ่ายโยนิสมริการอ ก็กลายเป็นตรงข้ามบอกว่าพัฒนาในตัวเด็กให้สามารถหาความรู้ความจริงและประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดออจากสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่เลวที่สุดไม่ได้เรื่องเนี่ยถ้าเด็กโยมมีโยนิสม์นิการก็หาประโยชน์หาความจริงได้ถ้ามิฉะนั้นแล้วมหาบุรุษไม่เกิดอ่ะเพราะมหาบุรุษนี่เดินมากไปเกิดในยุคที่มันแย่ <laughs> อย่างพระพุทธเจ้าเขามีทุกข์มีความเดือดร้อนมากกลับสามารถที่จะ หาคติหาความรู้หาความจริงหาความดีงามจากสภาพเช่นนั้นแล้วมาช่วยคนอื่นนั้นสองอันนี้ก็จึงมาบรรจบนะฮะสานกันในแง่ที่ว่าการยานามิตรจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เด็กโยนิโสมในการพัฒนาในตัวเด็กให้หาความรู้ความจริงและประโยชน์ได้จากสิ่งที่เร็วที่สุดนะกลับกันถ้าได้สองอันนี้สบายเลยนี้จะเอาอย่างเดียวกนไม่ได้ เป็นนึกแต่คติว่าจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้แกเด็กโถเด็กมันจะไปเจอสิ่งที่ดีที่สุดมันอยู่กับเราตลอดเมื่อไรล่ะอยู่กับพ่อแม่อยู่กับครูอาจารย์ตลอดเมื่อไรใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ออกไปมันก็ปนไปเจอสิ่งที่ชั่วทีไรเราไว้ใจได้หรือเด็กพึ่งตัวเองไม่ได้นี่อันั้นก็ต้องพัฒนาในตัวเด็กให้เอาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดด้วยถ้าได้อย่างนั้นก็สบายไปเลยในเดี๋ยวนี้มีคติไปถึงการใช้คําว่าสิทธิ เด็กมีสิทธิที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดจากสังคมอันนี้ก็เป็นเรื่องสมมติของมนุษย์คือพยายามที่จะสร้างความรู้สึกผูกพันความร้ราวความรู้สึกรับผิดชอบของสังคมของผู้ใหญ่ที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ดเด็กนะอันนี้ก็เป็นคติกันไปเป็นเรื่องของความพยายามของมนุษย์ในการสร้างสรรค์สังคมแต่ว่า ต้องรู้ความจริงว่าที่จริงมันไม่ได้มีสิทธิ์มีสุดอะไรนะเรื่องสิทธินี่มันเป็นเรื่องสมมติทั้งสิ้นในคติของธรรมชาติมันไม่มีสิทธิอะไรหรอกเนีเดี๋ยวนี้เราก็พูดว่าคนทุกคนมีสิทธิในชีวิตและทรัพย์สินถูกไหมฮะอันนี้เป็นกฎหมายเป็นข้อสมมติของมนุษย์ลองไปอ้างกับเสือสิเข้าป่าไปเจอเสือว่า ข้ามีสิทธิ์ในชีวิตของข้านะแก้ไม่มีสิทธิ์จะมากินข้าว ก, กันจะมาแล้วก็เสือไม่ฟังชนะจชเนี่ยฉะนั้นจะไปอ้างสิทธิ์นะีสร้างสิทธิ์อะไรก็ตามที่ดินที่เดินเนะี่ยไฟป่านา้ําท่วมไม่ฟังฉะนั้นเนี่อ้นี่ของดินที่ดินของข้าที่ดินแปลงนี้ฉันมีสิทธิ์ฉันเป็นเจ้าของแกจะมายุ่งน้ำบาน้ําป่ามาโครมกลาบหมดต้นไม้ไม่ฟังทฉะนั้นเนี่ย สิทธิโดยธรรมชาติมันไม่เกี่ยวกันสิทธิเป็นเรื่องของมนุษย์ผู้เจริญแล้วมาบัญญัติกันเพื่อให้สังคมของตอนอยู่ได้ดนะีเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์เป็นเครื่องหมายของอารยธรรมดังนั้นพุทธศาสนาจึงให้ความสําคัญกับสมมติสมมตินี่เป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์นะฮะไม่ใช่สิ่งเลวไหลแต่ว่ารู้ด้วยว่ามันไม่ได้จริงตามธรรมชาติแท้แต่ว่า ถ้ามนุษย์ไม่มีความสามารถในสมมติในอารยธรรมไม่เกิดสมมตินี่เป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ทำให้เกิดอารยธรรมสัตว์ชนิดอื่นมันรู้จักสมตมติเมื่อไหร่อ่ะใช่ไม้มมันไม่รู้จักมันก็อยู่ไปตามธรรมชาติพื้นฐานอย่างนั้นแต่มนุษย์นี่มีความสามารถสมมติตั้งวินัยทึ่เป็นสมมติอันใหญ่ที่สุดขึ้นมานทาให้มีระบบระเบียบการในสังคมมนุษย์ ทำให้อารยธรรมเกิดขึ้นจเจริญงอกงาม น, นั้นสมมตินี่แหละเป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์เป็นความสามารถสร้างสรรค์อา ร, อรยธรรมแต่ก็เป็นตัวสําคัญที่ทําให้มนุษย์พลาดพอมนุษย์สร้างสมมติขึ้นมาด้วยความความสามารถพิเศษตัวเองแล้วเกิดติดหลงสมมติแปลกแยกจากความจริงในธรรมชาติอีกจบกันตรงนี้เลยเพราะหลงสมมติก็เป็นอันว่าถ้าเข้ามาถึงความจริงของธรรมชาติตอนนี้ก็คือความพินาศของมนุษย์แต่ถ้าตราบใดที่มนุษย์นี่ ฐานยังอยู่ก็คือว่าเข้าถึงความจริงของธรรมชาติพร้อมกันนั้นใช้ความสามารถนั้นมาสร้างสมมติให้สอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติได้ความรู้เท่าทันเข้าใจเหตุผลในการสมมติของตนเองและอยู่ได้อย่างดีเขาเรียกว่าอยู่อย่างรู้ทันสมมติไม่หลงสมมติไม่เป็นท่ายของสมมติเข้าถึงธรรมะคือตัวความจริงแท้ในธรรมชาติตลอดเวลาชีวิตสังคมก็อยู่ได้ดีดีปัญหาของอริยธรรมปัจจุบันของมนุษย์ก็คือว่า พอมีความสามารถพิเศษสมมติแล้สมมติเลยไม่ไม่โยงกับความจริงในธรรมชาติแล้วหลงติดสมมติพาหายนะเข้ามาอย่างที่ต้องพูดว่าปัจจุบันนี้กำลังเป็นอย่างนั้นนะมนุษย์นี่แม้แค่ทํางานทําการก็ติดอยู่ในแค่สมมติแหละไม่สามารถโยงระบบการทํางานของตนเองในอาชีพเนี่ยไปเข้าถึงความจริงแท้ในธรรมชาติได้อย่างที่ยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นว่ากฎธรรมชาติว่า ทำสวนปลูกต้นไม้ทําให้ต้นไม้เจริญงอกงามนี่กฎธรรมชาติใช่ไหมกฎมนุษย์นี่สมมติซ้อนขึ้นมาว่าทําสวนหนึ่งเดือนได้เงินเดือนห้าพันบาทใช่ไหมนี่กฎมนุษย์การทําสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือนห้าพันบาทเป็นผลนี่เป็นกฎมนุษย์สมมติแล้วก็การทําสวนเป็นเหตุต้นไม้เจริญงอกงามเป็นผลนี่เป็นกฎธรรมชาติสองอันนี้ซ้อนกันอยู่ เราตั้งกฎสมมติขึ้นมาว่าให้ทําสวนหนึ่งเดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทเพราะอะไรเพราะเรารู้ความจริงของธรรมชาติว่าทําสวนแล้วต้นไม้เจริญงอกงามไอ้สิ่งที่เราต้องการคือต้นไม้เจริญงอกงามถูกไหมเราต้องการต้นไม้เจริญงอกงามเราก็ต้องทําสวนแต่นี้มนุษย์ฉลาดเพื่อจะให้การทําสวนนี่เป็นจริงเป็นจังมีคนทําหน้าที่มีการแบ่งงานกันทําแล้วเขาไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นอยู่เขาได้ตั้งใจทํางานทําสวนเต็มที่ เราก็เลยตั้งกฎสมมติของมนุษย์อนขึ้นมาว่าทําสวนหนึ่งเดือนได้เงินเดือนห้าพันบาทแกไม่ต้องไปห่วงเรื่องทำอาหารกินและแกตั้งใจทําสวนไปนะก็เลยกฎมนุษย์นี่เป็นกฎสมมติขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ต้องการผลตามกฎธรรมชาติกฎมนุษย์ก็ไปเสริมกฎธรรมชาติทําให้เราได้ผลที่ต้องการตามกฎธรรมชาติใช่ไหมนี่คือถ้าหากว่ามันเป็นไปตามนี้ ผลที่ต้องการก็เกิดขึ้นนี่คืออารยรธรรมมนุษย์ที่สามารถสร้างกฎสมมติมีระบบการทำงานเป็นวิ น, นัยทำให้คนเนี่ยทำงานทำสวนหนึ่งเดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทนี่เป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์แต่ว่าต้องโยงไปถึงความจริงของธรรมชาติก็คือว่าแกจะได้หายห่วงกังวลเรื่องการหาเงินหาทองมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวแกได้ตั้งใจทาสวนแต่คนที่ทาสวนนั้นจะต้องมีใจที่มุ่ง ผลตามกฎธรรมชาติคือทำสวนด้วยอยากให้ได้ต้นไม้เจริญงอก ง, งามรักเหตุผลตามกฎธรรมชาติต้องการผลตามกฎธรรมชาติตราบใดที่คนทำสวนยังรักต้องการผลที่เป็นจริงตามกฎธรรมชาติคืออยากให้ต้นไม้เจริญงอกงามทำสวนด้วยความต้องการนั้นอยู่แล้วกฎสมมตินี้ก็จะมาหนุนให้เขาทำงานได้ผลจริงตามที่เราต้องการก็คือทาให้ต้นไม้เจริญงอกงาม แต่ทำาเมไรคนสวนมาหลงสมมติก็คือว่าไม่ได้นึกถึงแล้วเรื่องว่าทำสวนนั้นทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามเอาแต่เพียงว่าทำสวนแล้วเป็นเหตุแล้วได้เงินเดือน 5,000 ันบาทเป็นผลทำสวนเพื่อให้ได้เงินเดือน 5,000 ันบาทอย่างเดียวก็หลงสมมติพระหลงสมมติปั๊บตัดขาดแปลกแยกจากความจริงของธรรมชาติไม่ต้องการต้นไม้เจริญงอกงามทำสวนด้วยความจาใจแหละ โอ้ตัวฉันต้องการเงินเดือนห้าพันบาททําสวนเป็นเหตุเงินเดือน 5,000 ันบาทเป็นผลต้องการอยู่แค่นี้ใจไม่นึกถึงเลยเรื่องตอน้นไม้เจริญงองามตัวเองใจไม่เป็นสุขแล้วเพราะใจอยู่ที่ผลสมมติคือเงินเดือนห้าพันบาทการทําสวนกลายเป็นความทุกข์ทรมานจําใจทําทําไม่ตั้งใจไม่เต็มใจทำํำมีความทุกข์ไม่ตั้งใจทํางานไม่ได้ผลอีกเสียออหมดเลยเพราะนั้นเมื่อมนุษย์ อาจเจริญในอริยธรรมสร้างสมมติขึ้นมาแล้วกลับหลงสมมติเสียนั่นก็คือความพินาศของมนุษย์เองที่แปลกแยกจากความจริงของกฎธรรมชาติก็ตัดขาดจากตัวธรรมะใช่ไหมเหลืออยู่แต่วินัยแล้ววินัยนั้นขาดความหมายวินัยก็คือสมมตินั้นขาดความหมายไปแล้วทำสวนหนึ่งเดือนได้เงินหน0 0งันบาทนี่เป็นวินยัยกฎสมมติของมนุษย์แล้วไม่มีความหมายโยงไปถึงธรรมะที่เป็นผลตามกฎธรรมชาติ ก็คือมนุษย์นั้นอยู่อย่างเรียกว่าแปลกแยกจากธรรมชาติขาดความสุขที่ควรจะมีโดยธรรมชาติไปเสียแล้วทําให้ระบบสังคมนั้นแปรปรวนวิปราชก็เสื่อมเพราะฉะนั้นจุดนี้ตอนนี้อารยธรรมมนุษย์กําลังถึงจุดนี้นะเป็นไปทั่วหมดเลยนั่นก็ถ้ายังคืบอยู่ในภาวะนี้ก็บอกได้เลยว่ากําลังจะไปสู่ความพินาศ นอกจากจะกลับตัวได้ลักษณะที่มันจะเป็นสู่ความที่หน้าศนี่อาจถึงสมยุนยังหรือธรรมชาติอะไรก็อ๋อมันเรื่องธรรมชาติมันไม่มีอะไรธรรมชาติมันไม่มีเสียหายละธรรมชาติมันไม่มีเสื่อมมีเจริญอะเราบอกว่าธรรมชาติเสื่อมโทรมมันไม่ได้เสื่อมได้โทรมันก็เป็นเขามาตามเหตุปัจจัยใช่ไหมมันเป็นความเสื่อมโทรมในสายตามนุษย์อะไรที่มันไม่เกื้อหนุนต่อมนุษย์เราไม่ชอบใจมันเราก็บอกมันเสื่อม อะไรที่เราชอบเราก็บอกจเจริญ น, นะก็เป็นต้องให้คําจํากัดความเรื่องของมนุษย์นี่ต้นไม้มันจะหมดมันจะแห้งมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมอ่มันก็เป็นภาวะตามเหตุปัจจัยก็เป็นไปข้างมาัจนกระทั่งว่าโลกนี้ลุกเป็นไฟทั้งโลกมันก็เป็นธรรมชาติอยู่นั่นแหละมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะมีอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวเลยว่าออกนอกเรื่องบุพนิมิตแห่งมรรคไปแล้วนะแต่มันโยงกันไปหมดนะตกลงว่า ตัวสําคัญเจอย่างนี่แหละเป็นตัวนําเข้าสู่มรรคซึ่งจะต้องมันเน้นอย่าไปลืมอย่าไปมองขํา ม, มันแล้วก็ในบรรดา7ประการนี้ตัวแรกกาลยานามิตรนี่สําคัญในสังคมมนุษย์ในหมู่มนุษย์ที่จะให้อยู่ร่วมกันได้ดีก็จะต้องเน้นว่าทํำไงจะสร้างระบบกาลยานามิตรให้ไดนะ้มันหมายถึงทั้งสังคมนะครับไม่ใช่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง มันหมายถึงตั้งแต่ผู้ปกครองประเทศนี่แหละถ้าได้การยานามิตรมาก็สบายไปเยอะได้ทำไงเราจะได้ให้ผู้ปกครองประเทศที่เป็นกัรยานามิตรใช่ไหมมีคุณสมบัติของการยาณมิตรมีความเข้าใจหมู่มนุษย์ที่เขามาปกครองแต่ว่าท้ายที่สุดก็ในตัวแต่ละคนนี่ในขณะที่แม้สังคมไม่มีกัรยานามิตรเลยไอ้เจ้าโยนิสุมรัติการมีในตัวใครคนนั้นก็ไปรอด คนนั้นก็สามารถจะบรรลุธรรมได้แม้แต่ในท่ามกลางของความเสื่อมโทรมความวิบัติต่างๆนะบางทีตอนวิบัตินั่นแหละเขากลับได้ประโยชน์ซะอีกอย่างคนที่จะตายบางทีบรรลุธรรมตอนตายเลยใช่ไหมหาประโยชน์ได้จากความตายเขาบอกแล้วว่าโยนิสมันิการนั้นทำให้มนุษย์สามารถพลิกกลับสิ่งที่ว่าร้ายให้กลายเป็นดีหาประโยชน์ไดจากสิ่งที่เลวามที่สุด มีอะไรสงสัยไหมครับหลวงลุงวา่าอะไรทนความเริม่มจะหมดหมดหมดคนแล้วก็พร้อมจิบชิบแล้วายากจากจังยากอะไรที่ยากเพราะมันไม่ช่วยกันไม่ต้องอย่างกาลยานามิตรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หาไม่เคยมีถึงมีมันก็ไม่กคไปหากาลยานามิตรกันเออใช่ไหมฮะเพราะมันไม่ได้เงินมันมติดในสมมุินั่นเลยครั <laughs> บจ้ามันยุ่งเกียกเลยหมดเวลาเนี่ย ก็เราไม่ได้พัฒนาคนในแนวทางที่มันถูกต้องเนี่ยเพราะว่าเราไปพัฒนาการศึกษาว่าคือการพัฒนาความสามารถหาสิ่งเสพบาเรอความสุขของตนใช่ไหมเนี่ยพอแค่จุดนี้มันก็ไปแล้วมันก็เรียรลวนหมดเลยนะเพราะว่าตั้งจิตผิดแล้วทิฐิมันผิดเลยมันทิฐิสัมปทาไม่ได้แล้วข้อห้าหายไปเลยเนี่ยว่าคือเรียนคืออะไรเรียนคือเพื่อหาเงินได้เก่งว่างันใช่ม การศึกษาผิดความหมายทิฏฐิมันผิดเลยที่ผู้บุคคลในรวามว่าการตั้งเจตนากามีทิฏฐิอะไรคนจะต้องมาสอนทิฏฐิมันเป็นตัวทําให้ตั้งเจตนามันเห็นอย่างไรมันเข้าใจอย่างไรก็ตั้งเจตนาตามนั้นถูกไหมก็เหมือนอย่างในข้อกลับไปที่มักสมารถทิฏฐิสมารถสังคปรัช่ยไหมสมารถทิฏฐิมีความเป็นเข้าใจอย่างไรยึดถือเชื่ออย่างไรก็สมารถสังคปรัชดําหลีดคิดการตาม ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มิจฉาสังฆปะ